ต่อไปในการปฏิบัติในตอนตอนตอ น, น, นั้นรู้สึกว่าคล่องตัวมากสำหรับปัญหานี้แต่ภายหลังนี้ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะพิจารณาไปแล้วจิตไม่ตด้ความสงบอันนั้นเป็นผลสงบจากการพิจารณาการพิจารณาเป็นอุบายทำให้จิตสงบ เมื่อจิตสงบพระาะการพิจารณาพิจารณาแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้นถ้าเราพอที่จะน้อมจิตไปพิจารณาได้ก็น้อมจิตไปพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมกับจดิตของเราหรือจะย้อนกลับไปพิจารณาหรือกำหนดลมหายใจพิจารณากายจิตตาสติ อย่างเดิมก็ได้อันนี้แสดงว่าพลังของจิตยังไม่มากเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ต้องอาศัยการฝึกขัดบ่อยๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้ํำนิชำนาญแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเอง ทางที่ดีควรจะได้ฝึกขาดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราเป็นงานศพได้เห็นศพหรือวิธีการเผาศพจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเท่านั้นแล้วมันเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณนาน้อมเข้ามาหารูปร่างกายของเรา จะทำให้มีผลดีหรือไม่อย่างไรการไปดูงานศพหรือไปเห็นทราบศพหรือเห็นกระดูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจิตยกมาเป็นหัวข้อพิจารณาเพื่อเป็นการอบรมจิตในแนวทางแห่งสมาธิก็ได้ผลดีเหมือนกันเช่นเดียวกันกับผู้ที่ภาวนาแล้วเพ่งดูพระพุทธลูกแลกว้วก็นึกพราณนาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำจิตให้สงบได้ ในทำรองเดียวกันการไปดูศพหรือดูก็ดูกที่เราเอามาพิจารณาแล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราเราก็ได้สติสัมปชัญญะพิจารณาบ่อยเข้าหนักเข้าจนคล่องตัวสามารถจะทําให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงได้เช่นเดียว ก, กันกับการภาวนาอย่างอื่นทีนี้ในตอนแร ก, แรกเราก็อาศัยสัญญาความจําไปก่อน สัญญาความจำเราเออกมาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนาให้เกิดอ้สัญญาความจำที่เราเอามาพิจารณาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาสัญญาจะเป็นสิ่งหนุหนส่นงให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นริงขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยสัญญาทั้งนั้น ข้อนี้เปรียบเทียบได้กับการภาวนาพุโทโธในตอ น, น แ, กแรกเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็จิตของเรายังไม่สงบเ <c oughs> มื่อจิตของเรายังไม่สงบเราก็ท่องพุโทโธอยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยวางพุโทโธจิตสงบยังเหลือแต่ความนิ่งสว่างของจิตมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นจิตก็ไม่จําเป็นต้องไปนึกพุโทโธอันนี้ก็เหมือนกัน ครูบาอาจารย์ที่สอนว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟเวลาคนตายธาตุอะไรหมดไปก่อนธาตุอะไรหมดไปก่อน <c oughs> เวลาคนตายธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจเลือสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันที <c oughs> การที่เราทำบุญทาทานกับพระทิศศีลไม่บริสุทธ กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัจจรฉานได้อา น, นิสงส์ร้อยหนึ่งให้คนทูตศีลได้อา น, นิสงษ์พันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรมมีอา น, นิสงส์นับประมาณได้อา น, นิสงส์หมื่นหนึ่งให้ผู้มีมศีลบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอา น, นิสงส์นับไม่ได้ เดินเสีน่าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติจิตพิจนาจริาจะมีทางสาเร็จมาผลได้ไหมเดินเสีน่าไม่บริสุทธิ์เสีนหนาของปุถุชนนี่ไม่มีใครบริสุทธิ์สะอาเพียงขอแต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตทำสมาธิภาวนาไปเมื่อจิตของเรามีความบริสุทธิ์สียงของเราก็มีความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ข้อนจิตหมายถึงเจตนาแนวแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนตอน้ตนก็มีเศร้าหมองบ้างด่ังพร้อยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสำรวจจิตเพื่อปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทำสมาธิภาวนาไปคุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้ <c oughs> วิธีเดินจงกรมการสายอาจารย์มัน่นวิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมเนี่ยเรากะทางจงกรมผสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักถ้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยเพรเดินทางไกลถ้าไกลนักเดี๋ยวหันกลับบ่อยๆจะทําให้เวียนหน้า ที่ในการเดินจงกรมกำหนดจิตรู้ลงที่จิตจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้หรือใครสามารถที่จะกำหนดก้าวย่างเดินเดินไปว่ามาก้าวขวาว่าโคกก้าวซ้ายว่าโทรหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกไม่มีพิธีรีตองใดที่จะไปกำหนดโกฎเกณฑ์ลงว่าสายโน้นสายนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมด ถ้าเราไปกําหนดว่าสายโนย้นสายนี่ไปเดียวเราจะเผลอไปเถียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดโทษการจุดโทษจุดเทียขนขณะไหวพระสวดมนภาวนามีความสําคัญเพียงไรการสวดมนภาวนาที่มีการจุดโทษเทียนไม่จุดโทษเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไร การจุดโูษเทียนในขณะที่ไหว้พระภาวนาเป็นการแสดงออกพร้อมทั้งกายวาจาใจ <c oughs> ทางวัตถุทั้งคุ ณ, ณธรรมที่ได้การสวดมนต์ภาวนาโดยไม่มีการจุดโูษจุดเทียนถ้าจะว่าโดยผลนั้นแท้จริงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้บุญเท่ากันดีไม่ดีการจุดโูษเทียนเปลอะเลอไปเกิดไฟไม่บาดกับภัยโทษก็มี เราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ใดเวลานั่งปฏิบัติทมบางครั้งจะเกร็กร้ายัจจะหงายหลังการนั่งภาวนาในบางครั้งบางทีก็กลมบางทีก็เงยถ้านขนาดะได้ที่นักปฏิบัติที่ยังไม่คล่องตัวต่อการนั่ง ยังไม่ชำนาญต่อการนั่งบางทีพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มเอาใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึง ท, ทำให้กายเอ็ไปข้างหลังบ้างเอไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบา้า ง, าางลืกกม้มลงไปข้างหน้าบ้าง บางทีบางท่านพภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตูงลงไปนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นปพระนมท่านนั่งสมาธิแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งท่านงอนล้มตูมลงไปหมู่ก็ปล่อยให้ท่านนอนจนหลับท่านนอนอิ่มแล้วท่าลุกขึ้นมาที่นี่นั่งสมาธิตลอดคืนอย่างรุ่งอันนี้แนละ้วสานิสัยของท่านผู้ใด การเคลนการเอียงการยักการย้ายอะไรต่างๆบางทีจิตมันจะหลับบางทีสติมันเผลอไปการทรงตัวของร่างกายไม่อยู่ที่มันก็ทําให้เป็นไปต่างๆคนไข้าอาการหนักควรทําจิตยอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายอันนี้คำตอบนี่ตอบยาก แต่ถ้าคนไข้ที่เคยบําเพ็ญเพียรภาวนามาก็สามารถที่จะระ ง, งับจิตคือ ท, ทำสติรู้อยู่ที่ความทุโลมทุลายหรือความทุกข์แต่คนไข้ที่ไม่ได้บําเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ฝึกขัดจิตแม้จะแนะนำอย่างไรมันก็ไม่ได้เราะฉะนั้นก่อนที่จะตายนี่เราควรจะได้ฝึกขัดซให้มันคล่องตัวถ้าใครขัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้อนี่ยิ่งดี เราจะได้รู้ว่าความตายนั้นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปิดเทปธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไม่การเปิดเทปให้ฟังบางทีคนไข้จะตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอานิสงส์ให้สุขติได้ แม้ว่าคำเตือนเพียงแค่คำเดียวว่าจงทาสติแล้วเลึกถึงคณปราคุณเจ้านะเพียงแค่นี้เขาแล้วเลิกเขาพุโทโธธรรมโมสังโฆในขณะนั้นก็สามารถที่จะไปสุคติได้เช่นอมัตสกุลทลีมารบซึ่งเจ็บป่วยหนักบิดาเป็นคนขี้เหนียวไม่หายามารักษาพระพธิเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาตายลงพรุ่งนี้จะตายตายลงไปแล้วจะตกนรก พระองค์ก็เสด็จไปโปรดทีนี้พระองค์เปลงรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรดนายมัทธคุณธลีหันกลับมามองดูพระพุทธเจา้าเพียงแวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาโอ้โพุโทโธพระพุทธจเจ้าอาจจะจันหนองแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพระบุตรอันนี้เป็นตัวอย่าง ปัญหาต่อไปการพิจารณาเกษาจะทําอย่างไรการพิจารณาเกษาก็แข่งไปที่ผมเกษาคือผมเกิดอยู่บนสีสากเป็นเส้นๆข้างหน้ากําหนดหมายเส้นหน้าผาเบื้องหลังกําหนดหมายปลายคอต่อคือท้ายถอยข้างหลังกําหนดมหมายหมวกหูทั้งสองข้างเมื่อน้อยก็ยังมีสีดําเมื่อแก่ไปก็มีสีขาวเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโโครกเพราะ เกิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุมแช่ไปด้วยภูมิพโลหิตที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของปฏิกูลเมื่อเหงือใครหลายออกมาเราก็ต้องทําความสะอาดต้องตกแต่งต้องประดับอยู่เสมอหากว่าของนี้ไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเราเลไปตกแต่งทําไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหน นี่เราอาจจะพิจารณาว่าผมของเราเนี่ตกแต่งแล้วสวยงามจริงหนออะไรทํานองนี้ทําสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันข้อที่สองพิจารณากายแล้วมีอาการเหมือนโลหิตไหลในคอทำให้ไอาจามบางครั้งต้องลืมตาขึ้นไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างไร ในเมื่อพิจารณาใายน้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นพยายามทมสติตามรู้สิ่งนั้นนั้นถ้าหากว่ามันจะไอจะจามจริงๆแล้วก็จามออกมาซะไอออกมาซะให้มันสิ้นเรื่องแล้วก็กำหนดสติพิจารณาไปใหม่จนคร่องตัวจนทำนิชำนานจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้การไอจามจะหายไปเอง <c oughs> ปัญหาต่อไปจริงหรือไม่ที่ว่า ผู้ที่จะนั่งสมาธิได้อได้ผลเร็วนั้นจะต้องสั่งสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนอันนี้ทั้งจริงทั้งไม่จริงผู้มีบารมีมาแต่ชาติชาติก่อนไม่ทําจริงมันก็ไม่ได้ผลผู้ที่คิดว่าตัวไม่มีบารมีแต่ว่าทําจริงมันก็ได้ผลเร็วมือกัน ใครจะไปรู้ว่าเรามีบา ร, รมีมาก่อนหรือไม่มีมาก่อนหากใครไม่มีบา ร, รมีมาก่อนพอได้ยินเขาว่าสมาธิเหม็นเบื่อยังกะอะไรไม่อยากจะทําแต่พอได้ยินแล้วเกิด ค, ความร่วมใส่อยากทําปุณนั้นแหละมีบา ร, รมีมาก่อนจริงอยากทาข้อที่สองบางครั้งเคยเห็นสำํำนักที่สอนรังสมาธิมีการชิญวิญญาณมาเข้าทรงอย่างนี้ถือว่าผิดแบบแผนทางพุทธศาสนาหรือไม่ อันนี้ควรจะให้ผู้ถามไปพิจรารณาเอาเองแต่ขอบอกว่าการฝึกสมาธินี้เราพยายามที่จะสร้างจิตของเราให้เป็นอิสระแก่ตัวโดยไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดแม้แต่กิเลสเราก็ไม่อยากจะให้เป็นนายเหนือหัวใจเราการที่จะเชิญวิญญาณเข้ามาประทับทรงนั้น ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติที่ถูกต้องจะพึงทำปัญหาต่อไปวิปัสโนปกิเลสคืออะไรมีอะไรบ้างาวิปัสโนปกิเลส <c oughs> คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปลงยึดถือเช่นอย่างพวกที่ภาวนาแล้วเห็นในเมต โลภภาพต่างๆแล้วก็ไปเย็ดว่าสิ่งนั้นเป็นของวิเศษเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมานั้นแล้วก็ไปเย็ดว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นเป็นเรื่องสําคัญไปกำห น, นดหมายเอาว่าต้องต้องอยู่ในชาตขั้นนั้นต้องได้ชาตขั้นนี้อะไรทํานองนี้ถ้าเผื่อว่าเราทําไม่ได้มันก็จะทําให้เกิดท้อถอย สิ่งใดที่เกิดเป็นผลงานขึ้นมาแล้วเราไปยึดสิ่งนั้นจนเหนียวแน่นแล้วก็ติดกับสิ่งนั้นด้วยสิ่งนั้นคือวิปัสสนูปกิเลสแต่ในแบบฉบับท่านว่าอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลตสิบหกประการอันนั้นยังไม่ได้ท่องแบบจึงไม่ขอนํามาเล่าให้ฟังเพราะเวลาน้อยขอให้ความจํากัดความหมายสั้นๆว่า จิตของเรารู้เห็นสิ่งใดขึ้นมาแล้วยึดสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีวิเศษถ้าไม่รู้อย่างนั้นเป็นอันว่าเป็นความรู้ที่ไม่ถูกทางอะไรทานองนี้แล้วก็ยึดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นวิปสัสสโนกิกษสทั้งนั้น ถ้าไปยึดว่าเราต้องนั่งสมาธิให้ได้สี่ห้าชั่วโมงให้ได้มากๆถ้าไม่ได้อย่างนั้นเป็นอันว่าปฏิบัติไม่ได้ผลหรือเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วยึดติดในสิ่งนั้นนั้นเป็นวิปัสสนูรักษาศีลติดศีลก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสทําสมาธิเกิดขึ้นติดสมาธิก็เป็นวิปัสสนูปัจจิเลธ เกิดปัญญาวความรู้อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วไปหลงปัญญาวความรู้ของตนเองขาดวิชาสติปัญญาวความรู้เท่าเอาทันเป็นวิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้นข้อหนึ่งทำไมจึงทำไมถึงว่าสมาธิเกิดในเวลานอนดีที่สุดกือว่าที่สมาธิที่ว่าสมาธิเกิดขึ้นในเวลานอนดีที่สุดก็เพราะเหตุว่าแทนที่เราจะนอนหลับทิ้งเปล่า สมาธิเกิดขึ้นในขนาดนั้นมันก็เป็นผลดีในการพักผ่อนเพราะเราพักผ่อนในสมาธิร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เกลือดลมหมุนเวียนได้สะดวกและจิตที่เป็นสมาธิในเวลานอนนั้นก็ได้ผลดีไม่แพ้การนั่งสมาธิเพราะว่า เียว่าการสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนดีที่สุดนั้นก็เพราะเหตุว่าการมีสมาธิในท่านั่งบางทีมันก็อาจจะมีไม่นานนักมีสักห้านาทีสิบนาทีมันก็ถอนที่เรามีสมาธิในเวลานอนนี่เราอาจจะมีสมาธิอยู่ตลอดขึ้นยังรุ่งก็ได้ถ้าเป็นสมาธิในเกิดขึ้นในขณะนั่ง จะมีคุณค่าน้อยกว่าหรือไม่ก็มีคุณค่าพอๆกันถ้าจิตอยู่ในสมาธิได้ น, น, นานรู้ธรรมเห็นธรรมก็มีค่าเท่ากันที่ว่าถ้าสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในเวลานอนได้ดีที่สุดนั้นก็เพราะเหตุว่าเป็นการฝึกสมาธิให้ทำสมาธิให้ได้ทั้งในท่านอนในท่านั่งท่ายืน ถ้าเดิดอะไรทำรองนี่ถ้าทํำจดกล้องครัวได้ทุกอินยาบทยิ่งเป็นการดี <c oughs> เวลาเกิดขึ้นในเวลานั่งก็มีค่าเท่ากันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลานั่งหรือเวลานอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลานั่งแต่เวลาทําเวลาท่านนอนท่านก็ทําสมาธิพระพุทธเจ้านอนตั้งแต่สี่ทุ่ม เราก็ไปตื่นเอาตีสามช่วงขณะเวลาที่นอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนี่ท่านก็ทำสมาธิหันกำลนดจิตที่จะระนาดูสัตว์ที่จะไปโปรดในวันรุ่งขึ้นว่าแก้ไขปัญหาเทวดาไงการแก้ไขปัญหาเทวดาต้องต้องพูดกันทางสมาธิไม่ได้พูดโดยปากเอาใจพูดกัน ทีเนตตาหาวัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีสมาธิในขณะนั้นสัมผัสรู้เทวดาได้อย่างไรความปีตตที่เกิดขึ้นทําอย่างไรจึงจะให้สงบลงเมื่อปีตตบางเกิดขึ้นไม่ต้องไปทําให้มันสงบลงความโดจเดีรู้มันอยู่เฉยๆบางทีมันอาจจะกระโดดโผล่เต้นหัวเราะร้องไห้ขึ้นมาก็ตามทำสติตามรู้มันตลอด ในเมื่อมันไปจนหมดฤทธิ์มันได้มันสงบลรงเองถ้าเราไปบังคับให้มันสงบลรงทีหลังปีติมันจะไม่เกิดเมื่อปีติไม่เกิดการปฏิบัติมันก็ท้อถอยอย่างปัญหาที่ว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ค่ะทําไมมันสงบสบายดีแต่เวลานี้มันขี้เกียจ เ, เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะไม่มีปีติแต่บางครั้งรู้สึกว่าใายจะสําหรับ ความรู้สึกอิ่มหมายถึงอิ่มอาหารหรืออิ่มอะไรถ้าอิ่มใจก็หมายถึงปีติซึ่งเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วสารพัดที่มันจะแสดงอาการออกมาบางทีก็ทำให้รู้สึกจะสำรักบางทีก็ทำให้รู้สึกมนเหมือนกับ ตัวจะลอยบางทีก็ทำให้ตัวหนักบางทีทำให้ตัวเบาบางทีทำให้ตัวสัน่นบางทีทำให้ร้องให้หัวเราะบางคนก็พอปีติเกิดขึ้นแล้วก็วางมือจากกันวางประสานกันมาตกหัวเขา่าตัวเองดังปั้งๆอยู่ก็มีอันนี้เป็นอาการของกิติซึ่งสุดแท้แต่นิสัยของใครจะแสดงออกมาอย่างไรหายใจไป อะไรเนาะนี่เป็นความรู้สึกอยากสูดความสุขหรืออากาศเข้าทางลมหายใจให้มากที่สุดอาการอย่างนี้จะเรียกว่าปีติหรือไม่ทีนี้ถ้าการสูดลมหายใจมันทำให้จิตใจของเราเบิกบานมีปีติมีความสุขมันก็เป็นอาการของปีติ การทำสมาธิเวลานอน <c oughs> หมายถึงนอนแล้วท่องพุโทโธจนหลับใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กรุณาแนะนำ <c oughs> การการทำสมาธิ <c oughs> ด้วยการท่องภาวนาพุโทโธเนี่ย <c oughs> เราท่องท่องท่องท่องไปจนกระทั่งว่าใจมันท่องพุโทโธเองได้ยิ่งดี นอนหลับมันก็ท่องอยู่เตือนอยู่มันก็ท่องอยู่ยิ่งดีไอการปฏิบัติสมาธิเสร็จแล้วได้นอนขณะที่นอนก็ภาวนาพุโทโธต่อไปมีอาการจิตดิงลงก็ได้ตามรู้อารมณ์ของจิตสักครู่รู้สึกว่าเหมือนกับตัวหมุนไปรอบอหมุนไปรอบพ้อง บางครั้งมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวอะไรตัวพองลมจะระเบิดหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสงบอาการอย่างนี้เป็นอาการที่จิตกำลังเตรียมจะเข้าสู่ความสงบทีนี้เมื่อไม่มีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็ามาเอกใจตกใจ กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่างๆจิตก็ไปยึดยู่ที่นั่นบางทีก็พยายามที่จะระ ง, งับไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ระ ง, งับได้แต่บางทีจิตมันดิ่งลงไปแล้วมันระ ง, งับไม่ได้ขอรู้สึกว่าทำให้เกิดมีอาการต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาแต่เราควรจะทำสติรู้อยู่เฉยๆจนกว่ามันจะเกิดความสงบลงไปได้จริงๆ วันนี้ในกล่าวธรรมะพอเป็นกติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้โดยอานาจแห่งการแสดงธรรมในกล่าวนี้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างขออุทิศส่วนกุศลหรือความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมถวายบูชา บรรดาพระปุรพาจารย์ทั้งหลายในอดีตที่นํารศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยแลีวขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งอดีตจงทรงมีส่วนรับบุญกุศลที่พระพิจ้ารด์ใแสดงธรรมนี้ขอให้ทรงเจริญแต่ขอให้ทุกทุกคนจงเจริญด้วยคุณธรรมมีวิถีจิตดาเนินเข้าสู่องค์อริยมรรต อันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเียนจริงเสิดสติปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของผู้เองให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพบโดยนยะดังเทสนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี